6. จะเห็นกายและใจว่าไม่ใช่เราได้อย่างไรการจะเห็นว่ากายและใจไม่ใช่เราตามความเป็นจริงนั้นคิดเอาไม่ได้จะต้องให้จิตเกิดความเห็นที่ถูกต้องจนจิตยอมรับสภาพความจริงและตัดสินด้วยปัญญาเองเมื่อเราภาวนาจนจิตมีสติตื่นขึ้ น, นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดโลกของความฝันและมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง ในสภาวะที่ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่กระจายตัวออกไปเป็นขันเป็นขันนั้นวงเล็บเรียกว่าเห็นคณะแตกวงเล็บปิดไม่มีตัวเรา แต่ถ้าขันทั้งหลายมารวมตัวกันเราจะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเราขึ้นมาหรือเห็นความเกิดดับของจิตโดยจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตที่เผลอไปคิดดวงหนึ่งแล้วก็ดับจิตที่รู้ว่าเผลอไปคิดอีกดวงหนึ่งแล้วก็ดับเป็นจิตคนละดวงกันจิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสันติขาดก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา